ไปทําบุญไปบูชาต้นไม้ก็ยังบูชมต้นไม้นะไปทำอะไรก็ชมมาหมดลนะเพราะฉะนั้นเขานี่ชอบการนะที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาชอบใช่ไหมชอบอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธาภาเป็นต้นนะนะนเพราะเนื่องจากเขาชอบเขาเลยบูชาคําว่าอาศัยลาบแล้วย่อมชอบกามเขาเรียกว่าอาศัยการอยากได้รูปถ้าเขาได้รูปนะเขาจะเพลิดเพลินในกรรม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 จะใช้ให้มันสบายนอนหลับสนิตเน่น่ะลักษณะนะ่พวกนี้ก็ชมรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะก็ต้องการบริโภคกรามนั่นแหละนนหะหรือปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมิตตวสวัสดีไปเกิดที่นั่นก็เพื่อจะนี่นแหละจะบริโภควัตถุกลามด้วยอำนาจกิเลสกรามนั่นแหละน เ, นเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยที่เขาถึงเขาทาแบบนั้นเนี่ยทั้ง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 ความว่าตันหาท่านเรียกว่าภาวะราคาอันหนึ่งความพอใจในพบกำหนัดในพบเพลิดเพลินในพบตันหาในพบความเยื่อใยในพบความหายในพบกระหายในพบเร่าร้อนเพราะพลุ่มหลงเพราะพบหมกมุ่นพราะพตันหาในพบดังกล่าวไปเรียกว่าภาวะราคะยินดีในพบป่ะนี่คิดให้มันจบเลยไหมงานเนี่ยสำนวนม้วนเดียวจบเลยนะไม่ต้องต่อภาคสองภาคสามเองเอางั้นไหยนะโดยมากไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม เอาไหมเอามวล น, นี้มวลจบเลยไหมชาตินี้แหละขอเป็นชาติสุดท้ายแหละสาหรับวัตตะพอกันทีอย่างนี้ไหมไม่เป็นออืมยังน้อยก็สองสามมวนกันนะนะสักสองสามชาติก็ยังดีกันนะสนัมมวลว่าจะให้ดับขันปริให้เป็นพาหันดับขันป ร, รินี้พานตอนนี้เอาเลยไหมโดยมากไม่เอากันจริงอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำธุระให้เสร็จก่อนนะเดีนะ๋ยวทำมณ่นก่อนเดีย๋ยวนี้ก่อนนะหาเรื่องอย่างนั้นจะได้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 เพราะฉะนั้นยังชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บูชายันประกอบในการบูชายินดีแล้วด้วยภาวะราคะแตนะเพราะคนที่ทำบุญส่วนใหญ่เนี่ยนะปรารถนาวัตตะสะโดยมากแต่นะทำบุญหรือการบาเพ็ญบูชายัญการบวงสรวงอะไรก็ตามเนี่ยนะจริงๆอ่ะทที่ทำทั้งหมดก็ปรารถนาตามกิจกรรมที่ไม่ปรารถนากรมเลยนะอย่างเช่นคำขอบวชอย่างประเทศไทยเนี่ยนะสัพพทุขนิสระณะเนี่ยนะ นิพพานะสัจฉิการณ์ฐายะอิมังกาสาวังกเหตตวาปาปาเชธรรมังทันเตยนุกัมปังอุปาทายะมันแค่ว่าโอ้โหเนี่ยขอนิพพานเลยนั่นเถอะนี่ขอให้ข้าพเจ้าได้พากาสาวพัดเถอดเมื่อข้าพเจ้าได้ฆ่ากาสาวพัดแล้วข้าพเจ้าจะบำเพ็ญไตรสิกขาปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละจะทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไหมบวชจะขออรหัตผลเท่าไหร่ก็มีอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงนะนะคำขอบวชนะนะหลังจากนั้นก็ผ่านไป ได้พามาแล้วก็แม่เลยทําอย่างที่ขอหรอกอ<ข>อตอนขอก็ขออย่างนั้นไม่ใช่หรอคุณมุชูตอนคุณบวชอะขอมาแล้วก็แล้วกันไปนะแตแบบฟอร์มการสมัครมันเป็นอย่างนั้นห<ข>ลังจากนั้นก็ไม่เอาแล้วเนียนะเพราะนั้นพวกเนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ปรารถนาพบนะก็เฮ้เนี่ยนะทํำยังไงนะปฏิสนธิมันจึงจะไม่เกิดอีกโดยประการทั้งปวงอ่ะนะทํายังไงพวกนี้จะไม่เป็นกรรมนิมิตคตินิมิต ะนะจะไม่เป็นกรรมกรรมอนิมิตคตินิมิตเลยอ่ะก็โดยมากก็ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นหรอกเนี่ยนะก็หวังเยอะนะอดสะพานไปเรื่อยเๆื่อยเรื่อย เ, อยเอยมขาจบง่ายๆหรอกคำว่านาตริงสุชาติชันติพรูมิความว่าเราย่อมกล่าวคือย่อมบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศว่า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 เรากล่าวว่าชนเหล่านั้นประกอบการบูชายัญกําหนัดแล้วด้วยความกําหนัดในภพไม่ข้ามชาติชราบไปได้ไม่พ้นการเกิดการแก่สักคนน่ยนะโดยมากเป็นอย่างเงี้ยนะไม่พ้นจากความเกิดเมื่อไม่พ้นเกิดจะพ้นแก่ได้ยังไงเนี่ยนะเพราะเกิดที่ใดความแก่ก็ตามมามรณะก็ย่างลงอย่างนี้แหละท่านพระปุณกาก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข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 โอ้นะเขาทำกันอย่างนั้นเอาจริงเอาจังกันมากมายขนาดนั้นก็ไม่พ้นความเกิดและความแก่ไปได้แล้วใครนาะ จ, จะพ้นจากความแก่และความตายไปได้ใครนาะ จ, จะพ้นการเกิดและความแก่ไปได้อันนี้คำถามเขาะเนะทุกคนเขาทำอย่างนั้นก็ไม่พ้นแก่พ้นตายแล้วใครนะทาแล้วจะพ้นความเกิดความแก่ความตายมั้งอธิบายคำถามเพิ่มว่าผู้บูชายันเหล่านั้น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 นะเทวโลกมนุษยโลกได้ข้ามพ้นชาติชราไปได้ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าเราย่อมกล่าวว่าความวันไหวในโลกในไหนไม่ได้มีแก่พระหันตะขีนาศบใดเพราะทราบด้วยยานคือทราบฝั่งนี้และฝัง่งโนในโลกพระหันตะขีนาศบเหล่านั้นเป็นผู้สงบกําจัดทุจริตเพียงดังว่าควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังได้ข้ามแล้วซึ่งชาติและชรา ก็ตอบว่าผ่าหันนั่นแหละแต่ที่ท่านพ้นจากความเกิดและความแก่เนี่ยนะเนื่องจากท่านไม่มีตันหาหวั่นไหวในโลกท่านรู้ด้วยญาณรู้ฝั่งนี้รู้ฝั่งนู่นเป็นผู้สงบกําจัดทุจริตที่เหมือนควันท่านไม่มีความทุกข์ท่านไม่มีความหวังท่านที่มีคุณธรรมอย่างนี้แหละท่านจึงพ้นจากความเกิดและความแก่ญาณปัญญาความรู้ทั่วความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสังขา ที่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านท่านมีปัญญาเนี่ยนะเ <_ that is god> พราะว่าท่านทราบอะทราบก็คือสังขามาจากคําว่าทราบเนี่ย mm hmm. นะคำว่าโปรโรปรานิก็คือฝั่งนี้ฝั่งโน้นเน่ยนะบอกว่ามนุสโลกตรัสว่าฝั่งนี้เทวโลกเรียกว่าฝั่งโน้นกามัทธะเรียกว่าฝั่งนี้รูปะธาตุอรูปะธาตุเรียกว่าฝั่งโน้นกามัทธะรูปะธาตุตรัสว่าฝั่งนี้อรูปะธาตุเรียกว่าฝั่งโน้นคําว่าทราบแล้วเนี่ยนะทราบฝั่งนี้ฝั่งโน้นเนี่ยนะคือทราบวัตตะเนี่ย เพราะทราบคือพราะรู้เทียบเคียงพิจารณาให้แจมแจ้งให้ปรากฏซึ่งฝั่งนี้และฝั่งโน้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะของไม่เที่ยงคือฝั่งนี้ทวนนั้งนะมนุษย์เทวมนุษย์เรียกว่าเทวเรียกว่าฝั่งนี้เทวดาเรียกว่าฝั่งโน้นการมาท่าเรียกว่าฝั่งนี้รูปอรูปเรียกว่าฝั่งโน้นการมาท่ารูปประท่าเรียกว่าฝั่งนี้อรูปประทาเรียกว่าฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นคือพบทั้งสาอย่างนะว่าย่อๆก็คือพบสามนี่แหละ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 ไม่มีอะไรเป็นที่เร้นไม่มีอะไรเป็นสาระไม่เป็นที่พึ่งว่างเปล่าศูนย์เป็นอนัตามีโทษมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เป็นกันซานเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นผู้ฆ่าเป็นสภาพปราศจากความเจริญมีอาสวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อมานมีความเกิดความแก่ความตายเป็นปกตินะเป็นเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตนะแล้วก็เป็นเหตุแห่งความเศร้ามอง ท่านรู้เหตุเกิดความดับเนี่ยนะรู้อาสาท่อาทีนวะนี่สารณะของภพสามเหล่านั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรียกว่าทราบฝั่งนี้ฝั่งนู่นก็ผู้ที่ทราบอย่างนี้หมายถึงพาฐานตะขีนาศเนี่ยนะพาฐันตะขีนาศเนี่ยไม่มีความหวั่นไหวไอ้คําว่าความหวั่นไหวก็หวั่นไหวเพราะตัณหาหวั่นไหวเพราะทิฏฐิหวั่นไหวเพราะกิเลสหวั่นไหวเพราะมานะหวั่นไหวเพราะกรรมความหวั่นไหว เพราะตัญหาทิฏกิเลตมานะกรรมไม่มีคือไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่พระหัน์ตะขีนาศบใดคือความวันไวเหล่านี้พระหัน์ตะขีนาสบใดละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทำให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือย า, อยานยานเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หวันไวในโลกน่ยนะ